14. มันไม่เป็นคําแก้ตัวหรอกหรืออาตมาขออนุญาตวิจัยต่อนะเท่าที่อาตมามีความรู้ก็คือพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่สร้างโลกสร้างมหาเอกภพสร้างทุกสปปรรพสิ่งประดามีแล้วทำไมพระเจ้า ไม่สร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบทุกคนและไม่สร้างโลกให้มีแต่ความสุขมีแต่ความดีตามที่พระองค์มีปณิธานสร้างความไม่ขาดตกบกพร่องหรือไม่ให้ด่างพร้อยด้วยเศษละอองทุลีทุกอันไม่น่าให้มีแม้ทุลีหมองขึ้นมาขัดแยง้งกับความสุขเสียเลยให้หมดเรื่อง ทำไมจึงมีมารซาตานบางอาจแฝงอำนาจแย้งพระเจ้าและก็ยืนยันว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างมารซาตานแล้วมารคือสรรพสิ่งหนึ่งในมหาเอกภพได้อย่างไรอำนาจที่จะให้อะไรเกิดอะไรเป็นในโลกทำไมไม่อยู่ใน พระเจ้าเต็มอำนาจนายพระองค์เด็ดขาดองค์เดียวทำไมไม่ทำความสุขความดีให้เสร็จสิ้นในตัวเป็นหนึ่งเดียวแก่มนุษย์แล้วปล่อยให้มานแอบสร้างทุกข์สร้างชั่วได้อย่างไรมันเกิดทุกข์ขึ้นมาในมนุษย์มันขัดแย้งกับสุขมันเกิดชั่วขึ้นมาในมนุษย์ ขัดแย้งกับความดีงามมารค้า น, นแย้งกับพระปาณิธานของพระเจ้ามิใช่หรือทำไมต้องให้มีมารขึ้นมาขัดแย้งพระเจ้าได้มารเกิดมาได้ยังไงทุกชั่วเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็ในเมื่อพระเจ้าเป็นพระผู้ประทานความสุข ความดีงามให้แก่มวลมนุษย์สิยโลกแท้ๆพระเจ้าไม่สร้างความทุกข์แน่ๆไม่สร้างความชั่วจริงๆและความจริงนี้ก็เป็นความจริงจริงๆคนทุกคนจึงรักบูชาเทิดทูนพระเจ้าเพราะเหตุนี้ และพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่สร้างหรือบงการทุกสรรพสิ่งให้เกิดขึ้นได้หรือให้มีอยู่ในโลกในมหาเอกภ พ, พแล้วทำไมสิ่งอื่นที่เกินกว่าพระเจ้าทรงสร้างจึงเกิดได้เมื่อสรรพสิ่งที่เกินกว่าพระเจ้าสร้างคือชั่วคือทุกข์ ซึ่งในโลกทุกวันนี้ทั้งชั่วทั้งทุกนั้นดูจะยิ่งมียิ่งมากหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทา้าทายพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าจะทําให้ทุกทั้งหลายชั่วทั้งปวงหมดไปอย่างถาวรยั่งยืนไม่เกิดอีกในคนผู้นั้นผู้นั้นได้จริงหรือและพระเจ้า ซึ่งทรงช่วยมนุษย์อยู่ตลอดเวลาจะช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกพ้นชั่วได้อย่างไรเมื่อไรคําว่าต้องช่วยมนุษย์คําว่ารับความทุกข์แทนคาว่าให้พระบุตรสละชีวิตไถ่บาปแทนมวลมนุษย์เหล่านั้นมันจะพ้นจากคําแก้ตัวของพระเจ้าไปได้ไหม พระเจ้าคือผู้มีอำนาจเหนือทุกสรรพสิ่งมิใช่หรือ